ในบทว่าสมากรรมโตนั้นคือวิรัตเจตสิกอันเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชาจารวิรัต ส, สามประการคือสัมปัตตะวิรัตหนึ่งสมาทานวิรัตหนึ่งสมุดเฉดวิรัติหนึ่งสัมปัตตาวิรัตนั้นดุดดังจักรนะอุบาสกพี่ชายให้ไปหาเนื้อกระต่าย จะทำยาให้แก่มารดาอันอาพาธจักรณะอุบาสกจับได้กระต่ายตัวหนึ่งกระต่ายนั้นร้องจักรณะอุบาสกนั้นคิดว่าอัตมาจะฆ่าชีวิตแห่งสัตว์เอาไปรักษาชีวิตมารดาแห่งอัตมนี้ไม่สมควรอิติจินเตตวาครันคิดแล้วก็ปล่อยกระต่ายนั้นเสียอันนี้ก็ได้ชื่อว่าสัมปตวิรัต จัดเป็นสัมารกรรมโตประการหนึ่งเอโกภุริโสประการหนึ่งยังมีอุบาสกผู้หนึ่งสมาทานศีลในสำนักแห่งพระมหาเทระผู้เป็นชี้ต้นแล้วก็ไปไถนาครั้นถึงเวลาปล่อยโคไปกินหญ้าแล้วโคนั้นก็หนีไปในป่าอุบาสกผู้นั้นจับเอาพระแบกไปเที่ยวหาโค ขึ้นสู่เขาแห่งหนึ่งชื่อตัทันต์ตาบันพศยังมีงูเหลือมตัวหนึ่งมาในสถานที่นั้นเห็นอุบาสกก็เข้ารัดเอาแต่เท้าขึ้นไปอุบาสกนั้นก็คิดว่าจะฟันงูด้วยพระแล้วคิดว่าอาตมาได้สมาทานศีลแล้วและฆ่าสัตว์เล่าก็ไม่ได้สมควรอุบาสกนั้นครั้นคิดดังนี้แล้วก็ไม่ได้ฆ่างู ครั้น ง, งูรัดข้าเจ็บปวดก็คิดจะฆ่างูนั้นเสียครั้นคิดขึ้นมาถึงศีลที่ตนรักษาเล่าก็มีได้ฆ่างูนั้นแต่อุบาสกคิดว่าจะฆ่างูเสียถึงสามครั้งทีหลังก็คิดว่าอัตมานี้จะมาประทุษร้ายต่อ ง, งูนี้เป็นเหตุด้วยพระอยู่ในมืออย่าเลยอัตมาจะทิ้งพระเล่มนี้เสถิด รันอุบาสกคิดชนี้แล้วก็ทิ้งพระนั้นเสียให้ห่างไกลด้วยคิดว่าชีวิตของอาตมานี้จงชิบหายเสียเถิดและศีลของอาตมาที่รักษานี้อย่าได้ชิบหายเลยด้วยเดชะอุบาสกมิให้ศีลพินธนาการสู้เสียชีวิตนั้นตัวอุบาสกนั้นก็ร้อนดุดทานเพลิงงูเหลือมนั้นก็มีอาจจะรัดอยู่ได้ก็คลายออกหนีไป อุบาศกนั้นก็ได้รอดชีวิตอันนี้ชื่อว่าสมธานวิรัตได้ชื่อว่าส ม, มากรัมรมันโตประการหนึ่งมิได้สมทานศีลแล้วเว้นจากฆ่าสัตว์ได้ชื่อว่าสัมปตาวิรัตอันได้สมทานแล้วจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นชื่อว่าสมธานวิรัต วิรัต ท, ทั้งสองประกาศนี้เกิดด้วยการมาพระจรกุศลจิตได้ชื่อว่าสัมมารกรรมมันโตเป็นโลกิยมักสมุเทเฉดวิรัตนั้นดุดบุรุษผู้หนึ่งอันชื่อว่าอริยบุรุษย่อมตกเบ็ดฆ่าปลาหาเลี้ยงชีวิตทุกวันเอกาทิวสังในการวันหนึ่ง สมเด็จพระสัญเพชรพุทธเจ้าแหลงเห็นอุปนิสัยอริยบุคคลผู้นั้นจะถึงพระโสดาจึงเสด็จพระพุทธลีลาไปในที่อันบุรุษตกเบ็ดนั้นกับด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอริยบุรุษนั้นครั้นแลเห็นสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ไกลก็บังเกิดฮิริโอตตะปะคือความละอายก็เอาเบ็ดซ่อนไว้ สมเด็จพระศัสดาสเสด็จไปในสถานที่นั้นจึงเบือนพระพักมาตรัสถามพระสงฆ์ทั้งปวงว่าท่านนี้ชื่อใดพระสารีบุตรเทระก็รับพระพุทธดีกาว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าสารีบุตรจึงตรัสถามตามลำดับลงไปว่าท่านชื่อใดพระสงฆ์ทั้งปวงก็กราบทูล น, นามแห่งตนตามลำดับลำดับว่าพระพุทธเจ้าค่า ข้าพระองค์มีนามชื่อว่าโมกคลานะดังนี้อริยบุรุษจึงดำริว่าสมเด็จพระศัสดาทรงถามนามพระสงฆ์ทั้งปวงแล้วจะถามชื่อแห่งอัตมานี้บ้างดอกกระมังสมเด็จพระสัพพัญญูทรงรู้ว่าระน้ำจิตแห่งอริยบุรุษนั้นจึงตรัสถามนามแห่งอริยบุรุษว่าท่านนี้มีนามชื่อใดอริยบุรุษกราบทูลชื่อแห่งตนว่า ข้าพเจ้าชื่อว่านายอริยะสมเด็จพระศัสดาจึงตรัสเทศนาว่าดูก่อนอริยบุรุษบุคคลผู้ใดเบียดเบียนชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุใดบุคคลผู้นั้นจะได้ชื่อว่าอริยะด้วยเหตุเบียดเบียนชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นหามิได้ตถาโคตรัสเทศนาว่าบุคคลผู้ชื่ออริยะนั้น ด้วยเหตุมิได้เบียดเบียนชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นอริยบุรุษได้สดบพระสัท ธ, ธรรมเทศนาดังนี้ก็ถึงพระโสดาปฏิพันธเมื่อเป็นอริยบุคคลแล้วก็ม่ได้กระทําปานาติบาตกรรมเป็นอันขาดด้วยสามารถสัมมากัมมันโตอันเกิดด้วยโสดาปฏิมาคจิตนั้น และสัมมาการม์โตอันเว้นจากอทินนาทานนั้นก็ดีดุจนางขุดชุตตราผู้หนึ่งใจความว่าสาวใช้แห่งนางสามาวดีและสตรีห้าร้อยซึ่งเป็นบริวารแห่งพระเจ้าอุเทนราชนั้นเมื่อพระเจ้าอุเทนราชพระราชทานทรัพย์เป็นค่าดอกไม้แก่นางสามาวดีและสตรีบริวารห้าร้อยนั้นวันละพันกหาปณะนะ นางขุดชุตรานั้นไปเบิกเอาพระราชทรัพย์วันละพันละพันจึงลักทรัพย์นั้นวันละห้าร้อยห้า้อซื้อดอกไม้วันละห้าร้อยกะหาปณะนะมาถวายแก่ น, นางสามาวดีและสตรีชาวแม่ทั้งหลายห้าร้อยนั้นทุกวันทุกวันอยู่มาในการวันหนึ่งนายมาลาการเจ้าของดอกไม้นั้นนิมนต์สมเด็จพระพุทธองค์เจ้ากับทั้งพระภิกษุสงฆ์ เข้ามารับจังหันในเรือนแห่งตนแล้วบอกแก่นางขุดชุตระาว่าดูก่อนแม่ขุดชุตระาวันนี้เจ้าจงอยู่ช่วยค่าอังคาดพระสงฆ์และฟังธรรมเทศนาก่อนและเจ้าจึงเอาดอกไม้ไปถวายเถิดนางขุดชุตระาก็อยู่ช่วยอังคาดจังหันครั้นได้ฟังธรรมเทศนาแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้านางก็รู้ถึงพระโสดาปติผล มิได้ลักเอาทรัพย์ห้าร้อยดุจการก่อนนั้นนางก็ซื้อดอกไม้ไปสิ้นทั้งพันเอาดอกไม้นั้นเข้าไปถวายนางสามาวดีและพระสนมทั้งหลายห้าร้อยนั้นนางทั้งปวงเห็นดอกไม้นั้นมากกว่าแต่ก่อนจึงถามว่าวันนี้พระราชทานทรัพย์ให้มากกว่าทุกวันหรือจึงได้ดอกไม้มากกว่าทุกวันนางขุดชุตตราจึงบอกว่า พระราชทานค่าดอกไม้วันลพันธ์กหาปณะนะเมื่อก่อนข้ายังไม่ได้ฟังธรรมเทศนาข้าลักเอาค่าดอกไม้นั้นไว้วันละห้าร้อยซื้อมาถวายวันละห้าร้อยกหาปณะนะจึงได้ดอกไม้น้อยวันนี้ข้าได้ฟังธรรมเทศนาแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแสดงโทษอทินนาธานการรมนั้นว่าบุคคลผู้ใดกระทำอาทินนาทานให้บังเกิดมากในสันดาน และอาทินนาทานการรนี้ย่อมอย่างบุคคลผู้นั้นให้ไปบังเกิดในติรชานก็มีให้บังเกิดในอสศุรกายก็มีให้บังเกิดในเปรตวิสัยก็มีเมื่อบุคคลผู้นั้นจะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เล่าจะเป็นคนยากไรอนาถาหาทรัพสมบัติมิได้แม้ว่ามีทรัพย์มากก็ดีทรัพย์นั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่มั่นคงยอมจะชิบหายุราชภัย โจรภัยอักขีภัยอุทกภัยข้าศึกศัตรูทั้งหลายอเผอิญมีเป็นทั้งนี้เพราะโทษที่กระทำอทินนาทานกรรมเหตุดังนั้นข้าจึงไม่ได้รักทรัพย์ของแม่เจ้าทั้งปวงข้าจึงซื้อดอกไม้ด้วยทรัพย์สินทั้งพันมากกว่าทุกวันขอแม่เจ้าทั้งปวงจงกรุณาอดซึ่งโทษแห่งข้านี้เถิดแท้จริงนางขุชุตรานี้ เมื่อถึงซึ่งโสดาแล้วก็มีได้กล่าวซึ่งคำมุสาอัมพรางบอกความติดตามจริงดังนี้ก็เป็นองค์อริยมรรคคือสัมมาวาจาและนางขุดชุตรามิได้รักซึ่งทรัพน์นั้นก็เป็นอริยมรรคคือสัมมากัมมันโตองค์อริยมรรคทั้งสองนี้คือสัมมาวาจาและสัมมากัมมันโต ปรากฏแก่นางขุดชุดราด้วยประการชนี้แก้ไขในบทสัมารกรรมโตอันเว้นจากอาทินนาทานก็จบแต่เท่านี้ประการหนึ่งสัมารกรรมโตอันเว้นจากกาเมสุมิชาจานี้ก็มีในนิธานพระธรรมบทว่า เศรษฐีบุตรผู้หนึ่งชื่อว่าเขมะเป็นหลานแห่งอนาถาบินทิกามหาเศรษฐีและเขมะเศรษฐีบุตรนี้เมื่อชาติก่อนโน้นได้กระทําทงทอ ง, ทองอันดีเพื่อจะบูชาพระเจดีอันบรรจุพระสารีริกธาตุแห่งพระกัสปะทศพลเจ้าแล้วก็ปรารถนาว่าขอเดชะพระลานิสงที่ข้าพเจ้าได้บูชาธงทอ ง, ทองนี้ สตรีภาพทั้งปวงเว้นแมแต่ญาติสาโลหิตแห่งอัตมาแล้วสตรีภาพนอกจากนั้นครันลาลเห็นซึ่งข้าพเจ้านี้ขอจงให้มีจิตปฏิพัตด้วยข้าพเจ้าจงสิ้นทั้งปวงเถิดเหตุดังนั้นเมื่อมาเกิดเป็นเขมาเศรษฐีบุตรนี้สตรีภาพผู้ใดได้เห็นก็มีจิตปฏิพัตด้วยเขมาเศรษฐีบุตรนี้เป็นอันมากเขมาเศรษฐีบุตรนั้น ย่อมกระทำซึ่งมิช้าจารกรรมด้วยภริยาผู้อื่นนั้นหนึ่งเนืองพิลาวันหนึ่งราชบุรุษทั้งหลายจับตัวเขมาเศรษฐีบุตรนั้นได้นำออกไปถวายพระเจ้าปเสนทิโกสนราชพระเจ้าปเสนทิโกสนราชจึงมีพระราชองค์การต ร, าธธ ร, รัสถามทราบความว่าเขมาเศรษฐีบุตรเป็นหลานของท่านนาถาบินทิกามหาเศรษฐีผู้เป็นอุบาสกอุปถากสมเด็จพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะลงโทษและลงราชธรร์ให้ปรากฏอนาถาบินธิกามหาเศรษฐีก็จะอับประยศอายแก่ชนทั้งหลายทั้งปวงนั้นครั้นพระมหากษัตริย์ตรัชนี้แล้วก็มิได้กระทําโทษปล่อยไปเสียฝ่ายเขมาเศรษฐีบุตรก็กระทํามิจฉาจารกรรมสืบไปเล่าราชบุรุษจับได้ถึงสามครั้งครั้นกราบทูลเท้าเธอก็ให้ปล่อยเสียถึงสามครั้ง ภายหลังอนาถาบินทิกามหาเศถษีจึงพาเขมาเศรษีบุตรนั้นไปกราบทูลสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าขอให้เทศนาสั่งสอนเขมาเศษีบุตรนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสเทศนาเนื้อความว่าดูก่อนขหบดีบุตรบุคคลผู้ใดาหาสติอันจะพิจารณาซึ่งกุศลากุศลกรรมมิได้และสองเศภริยาแห่งท่านผู้อื่นทั้งหลาย บุคคลนั้นย่อมถึงการอันจะเป็นโทษให้เกิดทุกนั้นสี่ประการถือจะให้เสวยผลแห่งอกุศล น, นั้นเป็นอันมากอันนี้เป็นโทษเป็นประถมประการหนึ่งบุคคลผู้ใดเสพด้วยภริยาผู้อื่นนั้นมีความชื่นชมยินดีเป็นอันมากนอนมิได้หลับเหตุว่ากลัวภัยนั้นอันนี้เป็นโทษคำรบสองประการหนึ่ง บุคคลผู้ใดเสพด้วยภริยาผู้อื่นนั้นจะได้ซึ่งความติเตียนนินทาหาผู้ใดจะสรรเสริญไม่ได้อันนี้เป็นโทษคํารบสามประการหนึ่งบุคคลผู้ใดเสพด้วยภริยาผู้อื่นนั้นครั้นจุติจากอัตมาก็ได้ไปเสวยทุกข์ในนรกนั้นอันนี้ก็เป็นโทษคํารบสี่เขมาเศรษฐีบุตร รันได้สาวนาการฟังเทศนาก็ได้บรรลุพระโสดาปัติผลเป็นอริยะบุคคลแล้วมิได้กระทํามิจฉาจาร ก, กรรมสืบต่อไปก็ลาเสียซึ่งมิจฉาจาร ก, กรรมนั้นเป็นอันขาดด้วยองค์อริยมรรคคือสัมมาการมันโตอันบังเกิดด้วยโสดาปัติมรรคจิตนั้นแก้ไขในบทสัมมาการมันโตอันเว้นจากปาณาทิบาฏ อาทินนาทานกาเมสุมิชาจานด้วยนิทานละอันละอันก็ยุติแต่เท่านี้